เมื่อน้ำใสกระจ่างแจ๋วย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโขง กรวดทรายและฝูงปลาได้ฉันใดเมื่อจิตไม่ขุนมัวย่อมมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้ฉันนั้นพุทธภาษิต น้ำที่ใสเนี่ยคือน้ำที่เป็นปกติเป็นน้ำที่ไม่มีอะไรมาปรุงมาแต่งเป็นน้ำธรรมชาติธรรมชาติของน้ำเนี่ยก็ใสเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าน้ำที่ไม่ใสที่มีความขุนนั่นก็เพราะว่ามีตะกอนมีเศษวัชพืชหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปปรุงแต่งทาให้น้ำเนี่ยมันขุนไป น้ำใสเนี่ยเราสามารถเห็นอะไรได้หลาย ๆ, ๆอย่างเห็นปลาเห็นเต่าเห็นต้นไม้เห็นสิ่งที่อยู่ในน้ําเห็นแม้กระทั่งตัวน้ําเองใสเนี่ยอันนี้คือสภาพของน้ําที่ใสแต่ว่าท่าน้ําที่คุณเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ความขุ่นของน้ําแม้ว่าน้ํำแท้ๆจริงๆเราก็ยังมองไม่เห็นเปรียบเหมือนอย่างกระจิตเรา ปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยปกติอยู่แล้วสายเป็นปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่เศร้ามองไปก็เพราะว่ามีความคิดมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาปรุงแต่งเมื่อจิตที่มันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นแม้กระทั่งตัวจิตเองไม่เห็นกระทั่งคนอื่นอันเนี้ยสาคัญมากแต่ถ้าจิตที่เป็นปกติ ไม่มีอะไรปรุงแต่งเราจะสามารถเห็นจิตตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็เห็นผู้อื่นด้วยอันนี้คือสภาพที่จิตใสเป็นปกติความเป็นปกติของจิตนั้นคือเป็นกลางๆงสบายสบายบยริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตที่ผิดปกติคือจิตที่ไม่อยู่บนทางสายกลางตกไปทางความสุข ความยินดีความพอใจอันนี้จิตผิดปกติหละหรือจิตที่ตกไปทางอีกทางหนึ่งคือความโกรธความเศร้าหมองความทุกข์ความตึงความเครียดอันนี้คือจิตที่ผิดปกติหละจิตที่เป็นกลางๆงเป็นปกตินั้นจะไม่ไปในทางที่ยินดีพอใจหรือไม่ตกไปในทางที่ยินร้ายไม่พอใจจิตปกติเป็นจิตที่บริสุทธิ ถ้าใครรักษาจิตเป็นปกติไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่เป็นโรคจิตไม่เป็นโรคประสาทจะนอนหลับสบายชีวิตก็จะมีความสุขอันนี้คือสภาพจิตเป็นปกติเราจะสังเกตว่าใครก็ตามถ้าใช้ชีวิตแบบสนุกสนานรื่นเริงเฮฮาเราดูแล้วคิดว่าน่าจะดีนะน่าจะมีความสุขก็ถูกต้องเป็นความสุขแต่ก็ยังเตือไปด้วยความทุกข์ เพราะจิตเน็ตเหนื่อยกระบวนการวายไม่ปกติแต่เราเลาะทั้งวันดีใจทั้งวันเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลรักษาโรคภาษาได้เหมือนกันนะเพราะเป็นสมาธิปิดปกติในทางตัวข้ามถ้าจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองทุกทนหม่นหมองเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายได้เหมือนกันนะเพราะความปิดปกติของจิตจิตที่เป็นกลาง มีความรู้ตัวอยู่มีสติอยู่เนี่ยจิตเนี่ยเป็นจิตที่ทำประโยชน์ได้มากดีใจล่าเริงเกินไปนี่ก็ทําให้เกิดความประมาทผิดพลาดง่ายง่ายหรือเศร้ามองไปอะไรนี่อันนี้ก็มีความผิดพลาดไปได้แต่จิตที่เป็นปกติเนี่ยทํางานได้ดีมากจะไม่ค่อยมีความผิดพลาดในการใช้ชีวิตเพราะความปกติของจิตเนี่ยจะมีสติคอยควบคุมดูแลอยู่อันนี้คือความเป็นปกติ สำคัญมากแต่ว่าคนเราเนี่ยมักจะชอบในส่วนความสุขไม่ชอบความทุกข์ชีวิตจึงต้องเวียงซ้ายเวียงขวาไม่เป็นปกติไม่เป็นทางสายกลางคนที่มีสติคุ้มครองจิตจะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาความสุขความทุกข์มีราคาเท่ากันที่เท่ากันเพราะว่ามันไม่เที่ยง ไม่เทียเ่ยงเดยกันทั้งคู่ความสุขก็ไม่เที่ยงพอสุขแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีใครเป็นทุกข์ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งปีเดี๋ยวความทุกข์ก็เปลี่ยนอาจจะทุกข์มากขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนมามีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราไม่ปฏิเสธไม่ห้ามความสุขไม่ห้ามความทุกข์ที่จะมากระทบจิตใจเราเราไม่ห้าม แต่นักปฏิบัติธรรมจะรักษาจิตใหเป็นปกติลยนั้นจะต้องคอยมีสติพอ ร, รู้เท่าทันในความสุขที่มากระทบจิตความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้มีสติรู้ไว้แต่เราก็ไม่ไปยึดมั่นนะไม่ไปติดกับความสุขไปติดกับความสุขแล้วต่อไปก็จะเป็นความทุกข์เพราะความสุขมันก็มีเที่ยงเช่นเดียวกันถ้ห า, ากว่ามีอารมณ์ที่ไม่พอใจ ที่เป็นทุกข์มากระทบจิตเราก็มีสติตั้งมั่นรู้เอาไว้ไม่บังคับไม่ต้องขับไล่แต่รับรู้เอาไว้อันนี้คือสภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวในกับอารมณ์เพราะว่าในแต่และ ว, วันเนี่ยเราจะต้องเจอสิ่งที่เราไม่ตั้งใจไม่คาดคิดมาก่อนอาจจะเป็นข่าวร้ายเราไม่คิดวาก่อาจะได้ยินได้ฟังข่าวนี้มาแต่ถ้าหากว่าเรามีสติรู้ทันในสิ่งเหล่านั้น เราจะรักษาจิตไม่ให้หวันไหวได้ในแต่ละวันจิตที่ไม่วันไหวนี่แหละจิตที่เป็นปกติเป็นกลางจะมีความสุขเราจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเอาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราเนี่ยเอามาเจริญสติได้เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเช่นอาบน้าเนี่ยเนยทุกคนจะต้องอาบน้าง่ายๆเนี่ยอาบน้านี่ก็เจริญสติได้ จรูสติรักษาใจใเป็นปกติได้ในขณะที่เรากําลังอาบน้ําฝึกที่จะมีสติรู้เฉยๆไว้ก่อนอาบน้ําแต่ละครั้งเนี่ยมีสติตามรู้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปเปิดฝักบัวน้ํารดมาถูกตัวเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรไหมเรามีสติจับรู้ได้เลยเราไม่ต้องไปกี้รู้ส่วนใ ด, ดส่วนหนึ่งเรารู้แบบคลุมๆแบบ ครอบครอบกว้างกว้ไปก่อนปัจจุบันนี้เรากําลังอาบน้ํานนะเรามีความรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวขนาดที่เรากําลังอาบน้ําน้ํานมาถูกตัวเราแล้วก็รู้สึกมันเย็นมันร้อนมันอุ่นมันมีความสบายมีสุขขนาดไหนแล้วก็รู้สึกตามไปมีสติรับรู้รับทราบเอาไว้หรือมีความคิดอะไรขึ้นมาในขณ ะ, ะที่เรากำลังอาบน้ํานเนี่ยแล้วก็มีสติรู้ได้ เรารู้ตั้งแต่ส่วนหยาบไปจนถึงส่วนละเอียดทำใหม่ๆอย่าไปจี้ว่าจะต้องรู้ตรงนั่นตรงนี้ไม่ต้องก็ได้เรารู้แบบครอบครอบแบบ ก, กว้างๆไปก่อนแบบหยาบๆไปก่อนเมื่อเรามีสติตามรู้ต่อเนื่องกันกนานๆเนี่ยเดี๋ยวสติมันก็จะละเอียดเองจิตจะละเอียดจับอารมณ์ได้ละเอียดกว่าเดิมความละเอียดของจิตนั้นเราบังคับไม่ได้ ต้องแล้แต่เขาจะทำหน้าที่เพียงแต่ว่าเราเริ่มเราเริ่มรู้ลงไปที่ส่วนห ย, ยาบๆน้ำที่ถูกตัวมันมีความอุ่นๆเย็นๆหรือมีความสุขขนาดไหนหรือเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็คอยมีสติตามรู้รู้ตรงไหนก็ได้รู้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไอ้ส่วนที่ไม่รู้นี่ก็อย่าไปสนใจมันส ต, ติจะเกิดเมื่อไหร่นี่เราไม่สามารถจะบังคับได้แต่เราพยายามจะใส่ใจห ส่ใจที่จะรู้จะถูสบู่จับสบู่ก็ให้รู้สึกตัวอาสบู่มาถูตัวก็มีสติระลึกรู้ตามอาการที่มันนุ่มๆอ่อนๆเย็นๆละลอนสุกๆทุกๆเนี่ยที่ขณะกำลังอาบน้า น, นะหรือมันคิดมันนึกอะไรก็คอยรู้ตามรู้เฉยๆเราฝึกที่จะรู้เฉยๆอาการที่รู้เฉยๆนี่แหละจิตจะเป็นปกติ จะรู้สึกว่าจิตเนี่สยสบายไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่เครียดไม่มีแรงกดดันจากการที่เรากาลังอาบน้ำหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยแค่รู้เฉยๆปล่อยวางๆมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่ชัดก็รู้ว่ามันไม่ชัดมันเผลอมนลืมไปก็ไม่เป็นไรก็มาตั้งต้นรู้ใหม่ใส่ใจอย่างนี้เรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ย อย่าว่ามีแต่การอาบน้ําเลยการแปลงฟันการทานข้าวการซักผ้าการกวาดพื้นการจับไอ้นนท์ช่วยนี่เนี่ยเราคอยมีสติตามรู้เติมรู้ลงไปทุกครั้งเนลยรู้เฉยๆอย่างเงี้ยเพื่อรักษาจิตให้เป็นปกติเอาไว้ถ้าเราเฉยได้เนี่ยจิตจะเป็นปกติได้ทันทีเลยอันนี้การปฏิบัตินอกรูปแบบแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ย เราก็จะลืมการทำในรูปแบบเราต้องหาเวลาว่างกับตัวเราเองทำในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะตามแนวหลวงพ่อเทียนการดูลมหายใจอันนี้เป็นในรูปแบบที่เราต้องทำเสมอๆการทำในรูปแบบเนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวสติเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวได้มากในแต่และช่วงแต่และ ว, วันของเราเนี่ยหาเวลาปฏิบัติเดินจงกรม เท้ากระทบพื้นก็ให้รู้สึกรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยไปก้าวแต่ละก้าวก็ให้รู้สึกการดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เฉยๆจะเคลื่อนไหวมือไปามาให้มีสติตามรู้รู้เฉยๆแค่นี้รู้แบบปกติแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรต่อเติม การทำในรูปแบบเนี่ยถือว่าสำคัญมากทําสม่ําเสมอแล้วแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องตามรู้กระทั่งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบตามรู้ไปเรื่อยๆมันเผลอ ก, ก็แล้วก็แล้วไปก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่ขอยทำอยางนี้เรื่อยๆอยเพื่อเป็นการรักษาจิตของเราเนี่ยให้เป็นปกติเมื่อจิตเป็นปกติแล้วเนี่ยเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจิตที่เป็นปกติจะมอง โลกและก็ชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องธรรมดาใจก็จะไม่หวั่นไหวเป็นทางดีๆยิย้ไยสติสัมปชัญญะนี่แหละเปรตเสมือนกุญแจเปิดประตูใจให้มันเป็นอิสระภาพจากความคิดจากอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจากความเครียดจิตจะได้เป็นปกติมีความสุขและก็สบายใจ